มันนี่จังอ่อนซ้อนดีวอ่อนซ อ, อ, อ, อ, อนหนีนอ่อนซอนยาอ่อนซ้อนในอ่อนซ้อนหน้าปีนี้เดนโนเมอวนันึ่งตัววันนึ่งแหลงตังคือฝ่าบทตอกอันอาตาจันใจกุ้ง ไลคุ้มกินปลาข้าวใ่คุ้นยุ่มพ่อยุ่มแม่ปลาซิวไลตอดแแหนี้ไปสนอย่เหลือพินอาสจันใจโอ้นายเข่าสารอยู่ในอูงอข้อขึ้นตอดไก่ไม่ไพ่หย่กออย่อข้ อ, อขึ้นตอดสร้างอันป่ายางอยู่หิงทะยานเต็นกุบเมีว ว่าเมีนใดน่วยแก้วโลกตระเสิดคำแสนแป่นมือไปล่องราพันลวนเลื้ยเจมดวงบุเพกำลังกาดวงปัญญาพ่อรีเปลีแสงแตะเกียงพ่อมิดมีลมพันหมาพดตรองบ่อยเอ็นหมอ วางเสิไปอู้อู้ ừ, อู้อ้อู้อู้อู้อู้อูอู้ยู้อู้ อ, อ, าา อ, อู้อูอู้อู้อู้อู้อู้อ้อู้อู้อู้อว้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อ้้อู้อูอู้อู้ออู้อู้อู้อู้าู้อ้ สันล า, านผาหัวหินงูทำ ม, มุดถูจิวโกดคุณและโทษบ่ัลาลูปัญญาปูซองว่เหินน ขันผัวเศร้าละเวนบ่เขาป้าหากินรันกษาศิลกมุดทางส่วนสิหลงไล่แล้วจากสิทาจังไหนแล้วหมดหนทางสิกกาวไตผัวเศ้าเปลี่ยนท่านให้ขาดไล่ใดท่อนั้นแล้วโอ้ยฟังแล้วจังเหม็นสูน จิตใจเหี้ยเอาเฉียวคไในว่าวุณนบ่พอใจสูญนตานไฟล้ำลูกขังนทถะเผาใจเอาแล้วจึงว่าจ่าเบาเส้าเดือเจ้ายาก้าวเจ้ายาเบาสามหาวว่าสี่เ้าเที่ยวดาวสี่มาเล่นมาอยู่ฟีเถ่าพันเอืย เจ้าเฝ้าจังเสียเจ้าโลดย่มามาเปือ่อยคอยบ่เห็นนำลื้ยบ่าอยากเอออดไว้สร้างขีดสวยเป็นหายบ่อายคนเธอบนใหญ่จนเป็นผัวคุณสังหูเบ้าบ่จีดคนในคนล่อหลอกเกีย ทันตัวหลาให้เจ้ามานุงสินอยซาอย่าเปลี่ยนชายเสื้อไว้หลายความโคนรสิทุกจนบัดเขาต้มหลงคาล่มคนนี้คนดีๆก็เกิดสว่วโอบกับพากับจู่วมีแต่เ ส, สียใจทั้งสิได้เมียนมอไม่ี เจ้าบ่างวังข่ตีเจ้าจังว่าสิเศ้าหาหยุดสานาหยุดเอือข่บ่เอือน้ำจ่อ ย, อ ย, อยระวางสินกับข่เจ้าเสียวในแน่ขนากสินกะแล้วแต่ข่บ่แค่สำนานันขึ้นได้ยังสบาย แต่ยามากาก่ไกลเชิญห น, นีไปไก่ทินชืชิเจ้าหอบเอาศีลไปอยู่จินกับพาเจา้ายามาเขาว่าหว่วมเฮือนเสียขอเตือนเอาไว้ขั้นพ่อใจหากคอยอยู่คอยกับว่าไถถูแต่ต้องทำรังเขา้าศีลพาเจา้าอ่อยทรงคื น, นายายคนในวบาเพลินขอดตัวนอขอนำ ําคือกาอยู่มากก็คือไดงแนวนกจามโกกไม่บอกมีหอยปากฏอยู่สิ่เป็นโตคือปลาทูพ่อไดปนไดเปลี่ยงกะให้บางบอกว่าเลย ยังสีดียูดอกเปยถ้ยตากว่ามันเป็นโตโสเอามาแจงฝีมแมงจะเข้าค า, างนีง่ยังน้อบอยเห็นสวนบอมีตนคือกาไกเ่เหล่าเอาขึ้นไปสร o เจ้าของเพิ่นพุ่นยามาวุ่นหมอมันแน่ ว, ว แมมสีดีดังแกวมานี่โชดสาลาพาดขั้นบ่อยเห็นโตชาตจางกันยังบ่อยเห็นความมัอยินยอมสาซำบ่อยเห็นน้ำพ้อไงขั้นบ่เอาขึ้นไปขาดกันสาเจ้าและล่อยแต่วันนี้ต่อไปเต่าพันเน้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ ขึ้นไปโซงเจ้าของเพินเจ้ายาเมามัามวสาเสียเวลาเ็ดแนวไม่เฝ้าขึ้นไปโซงเจ้าของเพินพุนมั่นสิบุญบัดเมือหลังให้เจ้าฟังคำข่ขอยคำเนี่ยเจ้าเสือย่าไมา่กจเที่ยจื้มือ น, นีเถาง่าหอดตายคนเเฝ้าขึ้นไปโซงเจ้าของเพินบสิีกอนเอ่อนอนดี อ, อัศสะจันแต่ทางมอนจินแต่ม้อนสังโตใหญ่นะอัศสะจันดีน้ออัดสะจันอกใสขวานบ่มีถักไม่สังมาได้อยู่ก่อนละเมืออ่อ อุยัดสะจั่นตุ้ยเห่าง n งวแงวสังบ่ได้ดอกฮ้องนางบัดกะตายห่างคว่มคว่มสังมาป่วงกับนางปิดนะ อาสจรันดังชินอาสจรันแต่เมียขาวาจาสังบมวนันคำบสมบอกควรนมาสั่งเ้าเทละนองอันคำนั้นกะบอกคือนะ่ะนี่ดอกกืพ้พนหักว่าบุญบอกเคยขี้สัางทางแยงรถผ่างวย บุญบ่เคยชีพฝ้ายเราขึ้นหลดผ้าเตีนจากเมนเวน ย, ยัยงดีกำยังดีได้ดึองจอดฟังคำเมียเสียพี่น้อฟ ง, องฟังความถ่องโหลดแก้มจีน ดิ่นก็ได้ทอดิน้นดินบ่ไหวใจบ่กล้าตันหาจรองขั้นจำจองใจเป็นสองเรี่ยรั้วนันป่นวนไปบัดเมียเว่านะอู้นอเล่าจิตใจขาดดวงปัญญาสังลาอ่อนนะโดนคำเเวาเมียหลอกหลอนห้อนสิเถียงตับบ่กล้าจะเป็นบาคหายยังนะยืมผู้ฟังวิจารณ์ด้วยตกถึงวัน อย่างเข่าสวยอัญมณ์เจ้าอย่าเฝ้าเบื่อนะเนื้อแม่เนื้ออาการคนยันมียเป็ี่นคือฉั น, นบ่หรือหากตาัางนั่นตอนมันหรือหากตังนั่นตอนมัน สำรับตัวของขานีชิดว่าบอย่านเพียงแต่ว่าจริงใจซื้อซื้อดอสิคัดไปกะมองม้วไฟครอบครัวสิมีแปวนะอยากจำยิบบ่แผลแล้วแต่มีแนวเข้ามาพานี่ดอกฤตันหาอาเวชชาเข่าขมืดมัวสิม้วมุงบ่หงลนนะ เพื่อนหากวาตันหากลูกคือดังเสื้อโูกคอตันหากเมียคือดังปอผวกสอกควาน้ำพอยหญนตันหากเขาของอนุวัคว้าอยู่ขออคือดังปลอกซสื้อตีนสามอันนี้สิเป็นเนว้ได้ดึงจองขั้นบอตัดขาดเสียนสิวนเกี่ยวกัะเนียลดึง ขานิ้ลึกซึ้งแต่ถึงวางมันจำเป็นตัวเข้ากําเข้าวิ้นเสิละสาบทันใดนะเช็ดเสียใจเสียเสียนเสียนลำเคื่นได้ชิดแปรยอยากเปนน้อยากนำเมียปากเปเปขาดเหตุผลไม่ชิดพอประทําคอ Kết già nàn đến nó, ôi già thưa สาตุเมดวยเร็ดกล้านั้นคุณแห่งกดรรำสงขอจงลุง ม, มาบังอันสอยสู้ให้หนีพ้นเถือเ่อนต้นตัวขาขอขมาไว้สะก่อนโอ้ ขายั้งอ่อนน้อมถนอมไหวอยู่เสมอคราวต่อไปอย่าให้พวกข้าเกินนั่นเพื่อปวงบยินหุนคอยดนบันดาลอย่าให้มันนั่นมากันข้าวนี่บนระรสันเสียงตะวันบอสาดซองนะตะวันศาสีทองคือสิได้พอพอ พระทรมความความพระคโณ เขาเอ้ยเจ้านั้นสังสีจำให้คอยเอาศีลขึ้นไปทรง่อยกระรับอาสาวาสิมาฝากเจ้ารักษาไว้ควมกันเรืะ่ะแธรมเท้าจางบอบอน้าคนที่ศาสของม่จริงว่เป็นเรจะม่เห็นหนังเจ้ า, าบอว่านั่นกะหากบอเป็นหนังคอยสีเอาคนเดียวบอเจ้าหนังกับเจ้าไปเออันจะบอกของสันออกแบบนี้เอาแบบไดเท่านี้เจ้าอยากรักษาศีลย้อนห้ไปยุนังภะ ขันเอาศีลไปสรงพระยังขึ้นมายุ่น้ำเมีเรียกเอาไหวกิโนแบบนั่นมันสิเลยเรียกยังงาของสันแมียขันสยุ่งน้ำกันมิเตศีลไปสรงพระต้นแมียก็นั่นล่ะว้าจังว้าเจ้าในสีโสภาข่ลาวตีวัวติดกันทึ่งป๋าป้อมขันบ่าวศีลไปสรงเนี่ยอันป๋ากรรแท้แท่ป๋าคาคากิษคาคาป๋าอีหลีป๋าจริงๆริง แม่แถวเจ้าเจ้าว้าส่งไงเลยนะอันเลียงป่าเลียงป่าเนี่ยใครรบกึกย่างได้เด็ดนี่แมกย่างก็ไปรดโอ้ยเอา้เนี่ยผัวว่มีอาชีพว่าเอาไว้เอาเสียวไว้เห็นหนังเมื่ออาชีพเด็กโเจ้ามีอาชีพย่างเดียวทอเขาป้าล่าเนื้อเบื่อปลาท่อนไหมเศร้าอาชีพเนีิหายังมากินบัตนี่ยไมก็เป็นเห็หน้าก็เป็ี่ยนเมื่อไม่ก็เปลี่ยนคือบ้านคือเมืองทนเศ้าก็เอาผัวบย เท่านี้ย่ำขึ้นมันก็มีย่ำกังเว้นมีดํามันก็มีขาวอันมีวิชาทั้งหลายแรนี่ยมันเหมิดคว่มคิดบ๊บเป็นดอกขันบ๊มีอาชีพนี่มันก็หันไปอาชีพไม่คอยในชีพออกแล้วเลี้ยงอาชีพคอยเนียทีไปเห็นอย่างไรอ า, าชีพออกบอ๊ต้องคาสัดซัดชีวิตนิวาตีนั่นแล้แง่ไข่มดแดงก็ได้เท่านี้มึงเป็นเพียงคว่มคิดเอ้ยคว่มคิดมาสั่งคิดสัตกระดกกระเดือแท้แกเขาเอาถูกต้นไปแง่ไข่หมดแดงเจ้านี่ มมดแดงมันเป็นยังราชวาร์ฮะหมดแดงมันเป็นยังมันไม่นสัตติห่ยตายหมดแดงก็ไม่เป็นสัตว์แต่นอปะได้สัต์้าข้ี้เดีวอันคอยว่าได้วาเนี่ยเอาหมดแดงบังหันข่าว่านี่เอาไข่หมดแดงทุนไข่ไก่กอมาเป็นตัวไก่ละไข่ยเป็ดกอกมาเป็นตัวเป็ดละไข่ห่านกอกมาเป็นตัวห่านละไข่หมดแดงมันจะออกมาเป็นยังบัดไข่มดไข่มดแดงมันมันเป็นยังกันเจ้าไปแนี่สูสวรรสูรรนไม่เท่านี้ งหุจัมมบมาสร้างเปนเทนนมันเป็นเรื่องะไรเอาเจ้าว่าไข่หมดแดงอันนั้นไข่ผากมันที่คนอื่นไข่ผากไข่นอยมั่เออกมาเปลนแมบดแดงตัวแดงๆการข้นเกล็ดเ่ไง่ตุงตงโอโซเอซีนะเออเขาอาไปขายน้าตลาดเออเอ นั่นล่ะออกมาเป็นแม่เป้งแต่อันจิ้วจิ้่สาม โ, โอ้ใครแง่แอันคนก้อยกินเอาไปขายถอยตองรังแตงแรงสามถอยหาบาทอบเอาเปียบคนซื่อกินกับโบอิม่มนั่นนะนั่นแล้วอันนั่นจะเป็นแม่เป้งงดแดงอ่ะนั่นหละอันตัวแอวจุจิ้วในห้างมั่นอย่างโอ้โอ้เป็นแม่เป้งงดแดงตัวแอวจุจิ้วเนี่ยนะว่าตินั่นโอ้ยบอกมันีกจะเป็คิดพ่อเนี่คิดพ่ อ, อยังบูบาทเนคิดพ่อพ่อทธเา ผู้เท่าเป็นหยั่งจะมัเขียนก่อนล่ำไหวก็ถือเขียนมาถึงจะถึงจะนั่นแล้วล่ะว่าแต่ว่าผูล่ำกังลำก็ถืมาเท่าสมือนี้ล่ะเออจักแก้ไขดัดแปลงให้มันถือคยว่าเจ้าสิเปตีพื่นเห็ดหยังเจ้าสิเปชีดข้อมองไดสิเพื่อว่าเพิ่นเขียนพดล่ำเพดมองไดเท่านี้เพิ่นว่าจังได้แน่เอาเขียนไว้แล้วว่าน้อยตองแดงแอกิ้วแม่งกินนู่นนะแม่งกินูนมันบอกิ้วได้ว่าเอาเพิ่นว่าถือได้เหมมันถือได้ยังเอาผูถือเจ้าเนี่ยเท่านี้คุนก็บ มาตามก่อนยุมือบอถือเขียนไว้บอถือโค่ล่ำกันเลยล่บอถือนาสิเขียนมาใจมึงมาน้อยดองแดงเอวจิ้วแม่ปีกมัจดจิตส่อมานิกกรไดเฮจังแมนบอไดเข่าหนังสื้อจังมันบอหูจักหนังสืออยู่ในดงในป่าน้อทำยังเข่าเจ้ากระไดเ ข, ข, ขาก็เขามัดกรแมนคับปัญญะอันเขียนจังสั้นิวนเขียนเป็นปริศนามเพิวนเขียนเป็นหยาบเป็นกรนเป็นซอยเป็นค่าฉั้นค่ำโคงควรจะไขข้นฟอนคนย้อนเถอเราคันขัคนควรเขียน่านอยดองแดงเอวจิ้วแม่ปเมืน ฟ้อนถือเท่านี้กระไดเพื่อก็ถือมันกับเมยนคักป่านยังนลงเดกพิบ่อเอวคิวลายนาบอกกับคนบริษัของหนังสือีเจมันบอกว่าเขาจเขาคอยก็อหัจักภาษาอยเจ้าเรื่อมศีนีกระไดเอาขึ้นไปทรงพระเดี๋ยวนี้เอาเๆเอาเาเาเซียงใคคอยเอาศีนไปทรงพระการบ่ไปทรงพระลพิษกันแทะหากันครับ ป่ากันอิหลีนห้อยคอกระเป็นผู้ใต้ได้ละแม่เ่าผู้ใต้บีเศียดอยังกองผู้หญิงวะบีเสียษจังได่เพิ่นยั่งวาผู้หญิงผู้ใต้ผัวเรนเนี่ยนี่ป่ากันในทางผู้ใต้สัมบายสัมบายปันหยั่งสัมบายครับสมบายแน่เพราะผู้ใต้ป่ามื่อนี่เอาผู้อื่นกะใดเอามืออื่นกะได้ผู้หญิงมันหลายเพิ่นยังกล่าวเป็นค้าโบร้านข้ามผ้าเสียบเต็มปากเต็มบ้านเต็มเมียงว่าผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทธาใบบักท่านจะแป๋บ่อออกสิไหลกระดอกนับไหบ่ มันกม็มนแวผู้ใต้เาดีใจจของแม่อามันก็ถือแม่น้อผยิ่งคือกันคันสิแบบเนคื อ, ค อ, ค อ, อย่า ง, หงเหียวจะขึ้นแวป้ามเหี้วอื่นกระไรตัวซหัวย่างมาันใส่เหียตัวผู้ใต้ตัวแพดินก็ไหลเทาใบบักขามตัวไหลก็ไปผู้ใต้หาลอยเที่ยวตัวต้นนื้จหนักปึงบออ่อปมาสามจิตพ่อไต้มันถวา ว, วันเต็ิตพ่อแล้วเฮ้ยเท่านี้เป็นเจ้ในากาตามหอกครับ่าเอาสินไปสรงเฟินดอกคอจักาย์เกินว่ะ มันยังอายว่าท่านเศร้าวิตกเลโอยเจ้าก็วอาปั๊บๆๆโยบานโยซองม่ได้เห็นกันเท่กันกบข่อยก็ข่อยก็เพื่อน่ได้เห็นหนักกันโอ้ยเจ้าก็ไดเนาะแถมสัมยังพูดอันพูดีนี่มาโจมมาให้ืตมนี่แมว่าเลินายขึ้นว่เหมันก็เอาไป zoom ใดๆๆนีมันว่าแมนว่าเอาจะข่อยได้อันสีที่เจ้ามานเนี่ยไม่เป็นอันพ่อข่อยก็บอเอาแม่ก็อกก็บอกเอาโคตเสียว่างๆก็บอเอาน้เจ้าถ้าเหมือนีดอยากให้เจ้าขึ้นไป zoom เนี่เจ้าสิว่าเอาไปกี่เด็ดบ้าว เนี่ยกาจิว่าข่อยบดีทอนตัวขางพ่อจังสั่นเนี่ยก็ว่าบดีแหลวบดได้ออกของกลิ่นมากไหมออกของกลิ่นบ่เปลี่นมาไใสรีว่าดีอยู่ค่ะโอ้ยเถ่านี่กระไดเนาะเฮออันมันกินบดเปลี่นกะจิงดอกอันเรื่องสีเนี่ยแต่ว่าข่อยว่ามันมันเป็นของดีข่อยเลือกเอามาเอามาแล้วข่าวว่าจะเอามาฝากเจ้าส่นนี้เดี๋ยวนี่ยังมาข่อยบ่เอาบอกแล้วตัวว่าหาขึ้นไปโซงผัะเนี่ยบดียิ่งติก็ได้ยิ่งยูเรียงเอาไปสซงนั่นแต่ว่าข่าวว่าข่าวไปข่อยจะกลายเพื้นโอ้จะติดเป็นกลายยังเนาะ มันดลรตัวมันสนานเศร้าอายตัวินี่ยอ๋อมันเศร้าจังไหนเจ้าว้าได้้เจ้า่ได้เห็นกันขกันขึ้ขวายขยเพ่นไม่เนาะ่าบเลยอสิไปส่งผกเขาก็เคยได้ยินจากเียวเว้ย่จังสิบ่ไปส่งอีหลีบ่บบยมาเลยนี้อสิไปส่งผัก่เคยได้ยินจกเียเยสียดเบ่มอสูนหลายเดนายหลายเดอยากตมย เต็นยองเต็นยองล่ะเมนจิก้าบล่ะเท่านี้บว่าเตก้าวันยามตุนซุนหนึ่งสิเอาซื่นซือนซื่นโอ้ยขั้นเมนลูกเจ้าของคือสีเต็นยองแล้วดูนาพันเมนผัวยากแต่ว่ายากนี่ เราแล้วสร้างเกิดมัวบอกเก่าส้งขึ้นไปสร้างลำไรคือเด็กบ่หมูผ้าซาเบาเอาขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลวๆสียสาอยู่โคตรอีแม่ของกูบ่เคยเติบใย่อ่อนสิ่นหาหมูเจ้าหัว ผัวกับผัวเถิดหน้าทากว่า บ, าบาฟังคำแม่นสิมีเวนกรรมบ่อเอาน้ำทั้งสิ้นอยากน้ำสีสิวินลาเสียเวลาที่มีคาขั้นเจ้าบ่อเอามาคงสิบ่อเกิดบุญในสูนทาวานากัน ทั้งอีแม่กับพ่องนันพอมีพ่อบ่อเห็นน้ำเคยมาทําลูเล่นเลื่อนลอยถอยลาเลื่อนพอตาไม่ย้ายเท่าเสียวหยังน้ำเขาบ่ามาเว้าพ่อกับแม่บอกลูกเมียน้ำแน่เปรืกษากันเรียบร้อยทั้งคอยบ่วาเลยน นี่อย่างน้อยเฉยพ่อป่านคว้วยตูททำหมดถูกเกินล้วงควงข้อป่านมาบ่าปั่ญน้าหน่อยละถอยหัวเม็นเด็กมุมหน่อยเจ้าสังก่อยคนตัวชิดอยักหวัวกะป่านกันสมเพศมันบ่เป็ี่ยนเก่าไงแต่กายเจงแต่ตตสิแต่เข้าปัญ่ญาเบาบ่สมไงเรียบเบาขึ้นไปยานุนนุนนี่นี่สิมี เรื่องอีกเทือสองหรือสิล่องกับ่อยเต็กกันในมันมุนขั้นอินนี่ได้ศูนยฝากพ่อผัว ก, กับบร่ยานมาแม่บ่เมีเมนป้่นี่นไปก้าขึ้นไปช่วงจากของเพินอันเจ้าที่โสผิดประนันติเท่านี่เมื่อวันที่โสผิดป้าขาาาาัดขวน อคนก็มีอาชีพพ่อไว้่หกจั๊ไหจไปหลงเสียผัะไวยกระดอกกเดียบปั่นนั่นอ้าวๆๆอ้ที่ไปโทษเพคนเห็ดหยั่งอันผพัะพเพลินเทิดให้ข่อยฟังเขาพิจารณาเบิ้งแล้วมัน่นกะดีแต่ในเรื่องในเท่านี้ดีสำหรับเจ้าเห็นแค <โบ S 2> ่ว่าใครว่าคันของทีมันเอามาแล้วมันกินแท่นเขาแท่นน้าได้เลคอยสิให้เอาคอยกระสิเอานําพออันนี้มันกินหมดเลยซารูปแล้วนะกินนมัตายเด้นออสรูปแล้วขันพ่อไปส่งลัป๋ากัน ป้ายอนศีนเนี่ยอนศีค่ะคัยันสิป้ายอนศีนมาสิอืดสิอยากแถวนี้ โอ้ยบ้านเนี่งเสี่ยงจะเดาบ้านไหเพิ่นกระเคลอยไปเอาดอกเว้ศีนนี่โดยเฉพาะในเหตุการพันสาบ้านเหนือบ้านไต่เป็นกระลังไหลไปเอาศีนไปรับเอาไปรักษาศีนอันพราะเน่ก็ไปรักษาศีนเม่อเน่ยเพิ่นกัไปรักษาศีนคันกับมาบ้านรักษาศีนสุข้นเอาศีนมาสุข้นขันพิษกันขึ้นันกับข่อยขึ่อยกับเจ้านี่สิบวได้ปลุกเฮียนอยู่คนหลังสิบได้อยู่คนลบบอลิตเท่านี้ันย้อนศีนไม่ว่าสร้างบ้าแต่ว่าอ้สิไปโยังแบบนั้นนาะก่อนเพิ่นสิไปรักรักษาศี เพื่อนก็บอกกันสกปรกตัวออพอไงสิไปเพื่อนก็บอกไม่ไงอยู่บาออ้านไม่ญ่สิไปเพื่อนก็บอกพออยู่บาออ้านังเที่ยเพ่นตกลงขอบใจกันไปตเมื่อเพื่นบอกกันอยู่เออพื่อนฉีกพิษกันหะกะเออหยัง้งป้ากัเฮยนั้งอันนี้จะบอกคอยบอก ไม่ศรจังะสิไปล่าเนื้อเบือป่าาันตัวข่อยจังได้ห้อเขาให้กแม่เลยคับนจังคันว่าสิไปเอาเนี่ยอกินบวเปล่นมากสิจังคอบอได้เขาอ๋อข่าวมาสิหูเราข่อยสิไปเอานกินบวเป่นเนาะว่า่ได้ว่าไปเอาสีนแล้วไาข่าหุ่จักสีนเนาะไปพ่อก่จังเห็นไปเห็นไปจังพบจังได้ออกมาตัวหนถอยมีกระดายเพื่อะะคเอามาอะสิบอขึ้นไปส่งก็เอาไปทำอลรเดียวนี่ บ่บ่บ่จะมาหาว่เลยเจ้ข่อยสินไปสรงพระวันนี้แม่เจ้ากับเจ้าป้าเจ้าว่าว่านว่านี่เจ้าหลอกไกไปทัวเทียบทัวเดินกก่ไปหอดปูเจ้าคนครัพอข่อยปูเจ้าเจ้ากับไกไปถึงโมรถไวเท่หนี้ก็ไดอุยหาความไกไปนี่ยังดูุยเนี่ยเจ้านันว่าตอนไทไทวัาหนึงเจ้าบอกว่าอันหรือสิลองกับข่อยเตจกันให้มันมุนขันอีไดู้น์ฝากพอผัวกับวายานมาเนี่บ่เม็นคุยว่าที่เจ้าว่าก็คุยแล้วยังไปูงหมไหวมาสั่งบ่มาอยากจะเสียมากก็เห็นหน้าด อันพอคอยปู้เจ้ามันตางเถาเดืเถานี้บอกจดอกอเจ้ากับปูขอยอยู่แต่ไหนล่ะออันถ้าสมอุต้ขมาดูเถาบู้เราว้อันนี้พอในกระไรมือสมมาย่างแนน้ยเนาะันซาพูดถาซิเนอันสาพูดถาสาพูดเถาพูดเถาพอคอยนะเป็นพูดเ่าอันเป็นนายผ่านเก่าเป็นนักว้ยเก่าเป็นนักกามเก่าอันมานีย่องเตปากลูกไผ่มตกรางกลก็มาสั่งว้าแถววะ ถูกไหมอแต่ใคเนี่เป็นอย่างเป็นในย่องกันขึ้นมาเิ่งี่ัตั้งห้ยรอย่อรอยอมากระทั่งนีก็สิจร้อนชิมขึ้นัเลียนอ้อมข้างนั้นเลข้างนี้ผู้เฒ่าวิ่งตกเนี่ยต่างเฉตียังตบหาด้วยโอ้ยหำเงยมาแกมาเด่นรับแต่่าดูกล้เี่ยเนา่ว่าต่แกบวบแต่เด่นบวติสิวะเนี่ยโป๊กับคนบ่ถือตําราคือเจ้านียิ่งข้างวนเนาโปกับคนบ่ถอตำล่าตำล่าอย่างเขานี่ตำล่าสุรุตัวนี้ตล่าสุรุ อาตำราสุรุเมอนก็นมีติดแม่ทัพยัสีบุมีอ้าวตำราสุรุมันมาจาังไหร่ดูเน่มั น, ม น, น, นมเป็นจงนังไหร่าข้นแบบเจ้าเขาจัดเถียในตำราสุรูกันยังวเปิดตำราสุรูอมอ้าไม่เป็นจงนังไหคันเอาซุ่มบถือกตำรา อย่างอื่นเขาจัดเขาในตำล่าซูลูบนเข็นขนพุงหลวงบอกจาป้าอันนี้ก็ จ, จัดเขาในตำลานี่รเออเอาเป็นงอง้ครับเซาไม่ห้างบอกยาเสนีคนโลเลสี่บอ ก, อบอก้วหคนสูลูบสบอกคันท่างจัดเขาในตำาสูลูถึงตำล่าอื่นคอยนี่คนซูลูก็ูลูตัวเมื่อเศ้านี่ก็ูููลูไปจากบ้านไปพ่อผ้าาวัดศีลนี้จังสันจังสีก็ูลููลูต้งจากผ้ามานี่ดสูงอจังใดคอยนี่คนซูลููลูค่ะโอ้ยสัาพะพเทาบ่ล้านเปนบอกเนสอนละแม่บุ ตันนิวาดผาดที่ได้กันแดลยวบว่หอนอ่าได้หางกันว่าได้แทะเท่านี่ก็นถามาถือกันคักแถว ห, ห้านี่แม่คอยในค้นสูรูเรามาได้กับค้นสอรอมาผสมกันเปรียบตัวเม้ยเท่า เอ้าจ้าว่าไผสลอแล้วับกลับมาบ้านปักซลลถามอันลลเถียงอันสลโซโไล่ข่อยเอาสินขึ้นไปส่งจากขะโซโลโข่อยข่อยซูลูเจ้าโซโกัขอกันจิตตรนี่ันแม่ผ่โอเบอกเจ้าด้วยเหตุด้วยผลาว่าเอาสีมาสีมันบ่แม่งแนวกินขันห้ามมันบ่แม่งแนวกินแล้วจังชันให้เอาไปขึ้นภาษาเรากลับขึ้นไปล่าเนื้อเบือป่าคือเขาหาแนวยอมายู่มากินดำงีวิตเห็นเป็นยู่ขันบ่มีแนวกินมันจตายบอกเจ้าโดยดีตัวเจ้ามก็ออกไปแม้พอประสุนตัว โอ้เดี๋ยวนี้เจ้าศูนเจ้าฉีโสป้า่อยปาันบ่อินไปส่งมิตรปาค่ะักเน่ขวบว่ได้ย่านเดี๋เลี้ยงป้าในแ่านี้ต้ไปอันคันคอยสิไปก็ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เลี้ยงป้าขวบ่ย่านไปมื่อขัคอยไปข่อย่านนั่นซือดอกย่านนย้แคนี่โอยภาษายังภาษาซปากันซือนคอยบ่อย่านคอยป้ายย้ำเก็ได้เดี๋ยวในท่านี้ไอแม่ขวบคือบดึงไปยังเถื่อนเมื่อันคอยจไปข่ย่านนั่นซื้อดอกไม่ยังอ่านั่น โอ้ยสามสิสิไป ข, ขอย่างขชิดหอดอีนังซื้อดอกเทานี่เป็นตายมันสิบรรุคนแล้วู้ใส่ไ ป, ปนี่เป็นไตยอย่างไนงก็คือเจ้านี่หละกะงอกะงอขันิไปกระทัาท้าวาคิดอดลูกทมาคิดหอดเมนบบหยมาหดจักก่อนตายมืดแไดกถุบอยังบจักอันนละคอยว่าอยาป้าเจ้าขยางอีนังเป็นกัมภาซื้อดอกเทานี่อ น, นลูกเป็นกม้าวสินไปโซงผางั้ว่าได้ยินไปไปยมาหายตายมันแถว่า อัทโขครั้งนั้นแลกล่าวฝ่ายนายพรานผู้ชาญไพรฟังคำไขพภรรยาดุด่ดาเหลือคมจิตคมใจไม่ตอบเมียพร่ำเพือ่อทนไปได้เพียงเจ็ดวัน ทั้งแม่ยายพ่อตามารวมดา่าอีกลุงป้านะ้าอาวาสนันโคตรวงทงสามารวมกันไดโจดจันดาประจานพ่อพานไพรหลันแล้วพานป่าผููอาพัพไดตอบรับวันวาดญาติผู้ใหญ่ว่าพ่อแม่พี่น้องอย่ามองใจข้าจะไปเดี๋ยวนี้จงปรีเปรมว่าแล้วนายพรานก่อขาานาการจากหมู่บ้านของตนเองเข้าไปในราวป่าเพื่อจะเอาศีลห้าไปส่งพระเทเจ้าก็มีณกาละ ครั้งนั้นแหละเถโรปนักฝ่ายว่าพระเถระเจ้าผู้เพ่งครัดชอบสงัดวิเวกจิตคิดชะนเห็นพรานป่าหน้าเศร้าเข้าใกล้ตนจึงนิพน์ปุจฉาพาทีกรอนเป็นจังเลนออุบาสุกทานผ่านป่าผู้ใจดีนี้ไปหกเก็ดวันจังค่อยขึ้นมาเยี่ยมคือที่สุขสบายบานจังมายามอีกเถือเดี๋ยวนี่ศีลหาตังเพียรน้อมอยู่เสมอวลื้อ เป็นจังไหนน้พอพ่อเอ้ยท้าส่งเว้านั่นเว้านี่เฮ้ย่ายเว้ยเป็นอย่างลาฮานี่ฮ เป็นจังไดคือสีหนาบพราะใครเบิกใครบานคือเขาเขาเราว่าเอาศีนไปจะเลื่อขึ้นจะเลื่อขึ้นกับหอดบานนี่ถ้าจะเลื่อนลงจะเลื่อนลงมาจมแถวหันมันยังจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนเป็นจังใดรองบาสูฟั่งเมืองนาโอ้ยมันปากบพราคอยออกบอกบพราคอยได้ตาพัดหลับเอาศีนกับขึ้นไปยังเฮือนดลดวุนไหวมัดมือได้หนอนี่ขนาดเจ็ดมือหนี่แม่เป็นอยังจังวนไหวว่ อันเนี้ยบ่าถือนำด้วยโมโหเชียวคนทั้งพอตาเมีย่ายออกกุนเชียวคนด่าประจาะนแหล่าข้าน่อยโอ้พอตาแมีย่ายเมียดูขีนองกองไปบ่เห็นน้าือผู้ขาดเป็นอย่างเพิ่งเพงว่าเห็นห น, น้าตีศีลเพิ่ตีศีลผู้ค่ะตีวาจังไหน อ, อ้าบ่อให้ฟังปับ๊บตีปุ๊บเลยว่าศีลว่าเป็นตนเป็น ต, นตคือคือบักโม้สีแดงกันกินได้ว่าเอาดอกพนาพนาพนาพนาพนะว่าไม<อ>่ขนา อันเท้าบอกกันมือนั้นให้เบอกกันขักเตือบอยู่เจ้าพ่ได้เบาสู้มูพนฟั่งตีแอนเจียงมีเรียนระคนหน่อยเลยบอกว่ากันรับน้ำเลยบอบอกออแล้วเราว่าจังไหนกนรระบาดนี่ฮะ เอาไปว่ามากก็เลยจำจ้องไห้เอาศีลขึ้นมาทรงสลักขณายผู้ข่ารักษาบ่ได้ีมานอมสรงขึ้นถนอกมือนีีมาเอางสิมาเอาศีลทรงขึ้นสีมาศีมาขึ้นศีลศีมาทรงศีลเสียวศีมาทรงไห้อันนี้มอดออกไปเนี่ยขณายทำมาสรงศีลทั้อนทรงบ่ทรงกับ่วานทฟั่งเผดจะข้าวกันนอกมือนี่ผู้ขารัาทรงมาศีลเด้วเอาเอาศีลมาทรงขณายต่ำหน้าต่ำหลังฟั่งกอจิตใจเจ้าปวนแย่อยู่ศีมาทรง ไม่ออกล่างสมองมากฮะแต่นอเอาฟังเทศจะข้าวก่อนหน่อยยใจมันตอมันเทียงสะพันจังไข่ากันแน่อื่นนอเฮ้เฮ็ดยางก็ขนฟังเทศเองไว้ย้อนเทศนี่ล่ะฮะก่อนมันเต้ไม่ข้หน่อยผู้ขาว่าหมอ๋อบ่แมนเราก็เป็นย้อนเทศดอกโอ้ยโอยมาแย่เลยเราสืบทอย่ำนั้นท่านิภากระดายฮึว่ามหาพระนักเทศกติเทศสู้ฟังเลยนอแต่ว่าเอาสีมาสรงเลยก่อนหน่อยเออจังวากัน แล้วก็ตอนนี้นะให้ตั้งจิตตั้งใจฟังเทศนาสักก่อนเสีย ง, ง, งให้ฟังเทศอีกให้ฟังเทศอีกเพราะว่าจิตใจเจ้ามั น, นปวนแปอยยุคนี่